ปฏิบัติทุกๆ ท, ท่านเวลาทำวัดเจ้าทำวัดเย็นเป็นเวลาฟังธรรมปฏิบัติตามมาที่ความเตรียมพรม้อมตามผิดวัดวิธีวัดเพื่อที่จะหล่อหลอมชีวิตจิตใจของเราให้เข้าที่เข้าทาง เป็นแบบเป็นพิมเป็นแบบของท่าไม่ดังเลยเสียงําไม่ดีก็อย่างนี้นะฮะนัน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ขึ้นมาแล้วเสียงเนี่ยตังไปแล้วไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟืนไม่มี โดยเฉพาะปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณบำเพ็ญทางจิตแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสลู่ทางจิตใจเป็นพุทธเจ้าทางจิตใจเมื่อทางจิตใจมันถูกต้องกายก็ค่อยถูกต้องวาจาถูกต้อง เรือชีวิตก็ถูกต้องการงานถูกต้องต้องใจถูกต้องไปหมดเลยครบวงจรจรึงเอาทำกิจตั้งกิตให้ดีๆเรามาฝึกกิจโดยตรงโดยรูปแบบของกรรมฐานที่พระเจ้าทร ง, งสอนในหลักสติปัฏฐาน นั่นเราต้องสุมหาที่ใดอยู่ในนี้ทั้งหมดเราศึกษาสติปัฏฐานตามแนวสติปัฏฐานจะเป็นป้อมปาการมองเห็นทุกอย่างที่มันมาจะได้รักษาการักษาใจให้เรียบร้อยได้ <c oughs> ไม่ใช่พิธีกรรมอย่างอื่นเป็นกรรมฐานล้วน ครรมคิดการกระทธรรมที่ตั้งของการกระทธรรมมนี้จะจำแนกไปเองไม่ต้องไปเอาโน้นโอห น, นี้เมื่อแต่ถามโน่นถามนี่มันโน่นชอโก็ถึงการกระทธรรมมีจิตตีไปในการเป็นประจำ เราก็หาโอกาสนีสติไปเนการดเป็นประจำจิตมันจับไม่ได้วัฒนาจิตก็สอนกายมันก็ฝึกช่างฝึกมาาฝึกโคฝึกก็บกบือฝึกไวยใช้การเช่งานอเมกาก็ อ, อกตัวมันมาใช้มันจะรู้ เรียกชื่อมังบ่อยๆก็จะรู้อาจจะยินเสียงบ่อยๆมันจะรู้ได้กินกันบ่อยๆจะรู้เจ้าของพู้ดีๆกับมันมีนินนสัยดีๆกับมันก็จะลูปหลังลูกข้างมันก็รูไปไยลูกหัวลูกหางก็รูปไป อันนี้คือแสดแดงออกในร่างกายเอาใจมันบอกตามใจตั้งใจไว้ดีๆโดยเฉพาะกรรมฐ า, านนี้ใส่ใจที่รู้จึกตัวอยู่เป็นแบจำอะไรที่ผ่านมาการรู้จึกตัวทั้งนั้นการรู้จึกตัวทีใดก็คือสอนใจแล้ว มันใจเกิดไหลขึ้นกลับมาไหนใจก็สอนใจเองใจสอนจิตใจเองเช่นความคิดอย่างเนี้ก็มีความรู้มันใจก็ความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจก็รู้สึกตัวซะอันนี้เป็นธรรมทาให้ใจมีธรมรมเอาธรรมประดับกัแบบจิตใจเข้าไปให ถูกเป็นถูกจะให้หลงเว้นหลงจะให้ผิดเป็นผิดจะให้ถูกเว้นถูกมันผิดไปแล้วมาได้สอนจิตสอนใจให้ใจปเปิดเปิดกับสิ่งต่างๆต้องมีสติรู้นี่คือสอนจิตใจสนุกรู้เวลามันผิดก็จะรู้เวลามันง่ายก็จะเลยรู้เวลามันยากก็จะเลยรู้ วหวลมงองวัวเขาหนอนก็เจาะได้ลูกนี่เอามาลงที่ตรงนี้หรือว่าฝูกจิตใจโดยตรงาทางไหนก็ให้ลูกทุกทางอย่าให้ทางที่มันมาพาผิดพาถูกอย่าให้ความถูกพอเป็นความถูกอย่าให้ความผิดว่าเป็นความผิดอย่าให้ความสงบพาให้เกิดความสงบอย่าให้ความพึ่งช้านพาให้เกิดความพึ่งชา้าน มันไม่ยากทำอย่างนี้ความรู้อย่างนี้อันผิด เ, เป็นผูดผิดยังยากกว่าถูกเป็นถูกมันก็ยากกว่าสงบเป็นความสงบก็ยากกว่าให้เป็นความรู้อย่างนี้จ้งั้นถูกอย่างนี้ความถูกเป็นอย่างนี้เปิดขาดจิตก็ฝึกอย่างนี้มีหลักอย่างนี้มีเป้าหมายอย่างนี้ประตูอยู่ตรงนี้เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ เมือกับปรตูเข้าบ้านเปิดที่นี่ปิดที่นี่อยู่ด้วยกันเหมือนล่างมือด้วยมือล่างเท้าด้วยเท้าอ๋เท้าล่างเท้าอ๋มือล่างมือยังจะยังจะพบความจริงของจริ ง, อ, ง, รงอยู่ในตัวมันเองในกายก็มีความจริงมีความไม่จริงในใจก็มีความจริงในความไม่จริงถ้ามีสติจะได้เห็น ว่าเราสมผัสเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติว่ามีให้เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติถ้ามีส ต, ติก็พลาดไปหลายหล่างหลายเรื่องแล้วไอ้คท่องเที่ยวไปหลายอย่า ง, ลงหลงเป็นหลงนานๆเท่าไหร่กีอสงไขหลงแล้ว ทุกเปนทุกมานานเท่าไหร่เยี่ยงสงไข่ทุกแล้ววันนี้เปลี่ยนได้ฟื้นได้คืนมาได้อย่าไปเอาผิดเอาถูกกับอาการอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้เสียเวลาเปล่าๆยิ่งเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลผิดไปแล้วค่ะว่าทําไมทําไมดับเบิ้ลผิดดับเบิ้ลถูกไปแล้ว ว่ามทีเดียวค้างเดียวทีเดียวผิดเป็นรูปไปทีเดียวอย่าให้ผิดซ้ำเหมือ น, นเรากับรถตกหลุมอย่าให้ตกอีกอย่าให้หลุมเดียวอย่าให้ตกอีกให้จำไว้ด้วยจสัญญาว่ามีสัญญาเหมือนจำสัญญาแบบนี้สัญญาที่เป็นประโยชน์ ในการทำถูกทำผิดเดิมมันผิดมันจึงมีความถูกตรงตรงหนจยยุดดดนอยู่ที่ไหนเสริมเข้าไปเป็นจุดแข็งเราก็รู้ตัวเราเองจุดดดนมาทันหนยเราจึงต้องคุกอย่างนี้เลย ว, ว่าก้าวไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางมันมีอยู่ อะไรไม่มีความหมายเลยคือพื่อเนรพลให้รักษาให้ทานก็เพื่อเนิพาลรักษาชิน ก, เนนเนกเ็เพื่อเนิพพาลภาว น, นาก็เพื่อบรรเพื่อเนิพลตรวจน้ําก็เพื่อเนิพานีวิตเราเลยเพื่อเนิพานแม่เราบวชมานี่ก็เพื่อเนิพาน นิ่ป่านจะม่ชติกนันนะทยาอีมังกาสาวัง้เหตตาวาเนี่ยอย่าลืมอาศัยข้าพเจ้าอาศัยป้ากาสัพัณ์นี้เพื่อทำพธะดิพาณให้แจ้งนี่ปุ่งหมายจุดหมายปลายทางของเรามันจะจบที่นี่นี่ฝันเป็นความสุขว่าอย่างนั้น ป่านนางประมังสุขขังนีนผ่านเป็นสุขอย่างยิ่งเอาทำไมมาสวนทางกันหลวงพ่อบอกว่าพอรสุขเราทุกข์เสียได้ในชานที่แปดที่สี่ตอนต จ, จะจัดสู่พลรัสุขเสียได้พอรัทุกข์เสียได้นั่นคือเป็นสัมมาสมาธิ เข้าจูประตูนิพพานได้แต่มายึงว่านิพพานเป็นสุขมันจะติดสุขยังไงสุขมันมีอยู่หลายสุขอามิตสุขทรงอิงอามิตอิงควได้กินยังได้มีความสุขควได้เห็นยังมีความสุขควได้กินยังมีความสุขพวได้กายัำพัดจังมีความสุขนั่นหมาสุขอิงอามิต ก็มีจุกสูงที่ไปเองิงกาเม็ดจุกเป็นคิดคิดเดาเป็นจุกเป็นรูกได้เช่นเดียวกันคนอื่นให้บ้างอันนี้บ้างนี่แหละมีจุดสุงเอิงเน่ขมมะดําริออกให้เหนือกว่า น, นี้นจุกไม่จุกแลขาขีา้กัดให้หาย แต่ก่อนจุกพวกเด็เก่ามันคันกันลังตา ก, ก็ไปดูหนังกันท้งหมูก็ไปฟังเพลงกันทางกาก็ไปสัมปัติเห็นว่าดีว่าชอบตามอาการตา่างนๆะนั้นคนเป็นขี้กากรักษาขี้กากให้หายก็ไม่ต้องเกาเอาจุกแบบนี้จุกไม่ต้องเกาหรือว่มมาุกเน่ขมะ ดำหลีออกไปพระราษฎจะได้พระรุษฎรจะได้มันเหนือเนี่ยจึงเรียกว่าสุกที่พระนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะต้องเ้าไปอย่างนี้อย่าติดอะไรทั้งหมดนั้นจุกก็อย่าติดสุกมันสงบก็อย่าติดสงบมันรู้ก็อย่าติดความรู้ให้เห็น เห็นมันฉุกเห็นมันสงบเห็นมันรู้เห็นมันไม่รู้อย่างเนี้ยมันก็ไปยกไปยกายกเหนือบายถ่งไปเพราะความติดในรถบนนี้มันเป็นรถของโลกมันมนเหนือโลกนี่ายมันจะไปไวถ้าสุขเป็นสุขก็เช้าถ้าทุกข์เป็นทุกข์ผิดเป็นถูกก็ช้า อให้อาการเหล่านั้นมากักมาขังความรลกของชังอยาให้กักขังได้กระโดดได้ถ้าเคยกระโดดก็กระโดดคล่องดีจำนานถ้าไม่เคยกระโดดตรงที่มันสูงเป็นแบบฝึกขัดกระโดดข้ามที่สูงกี่เมตรกี่เมตรก็กระโดดได้ เกงขึ้นมาเป็นนักกีฬาได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นนักกีฬาชำนาญเป็นแชมได้แชมในความไม่หลงแข้งในความไม่ทุกเนี่ยไม่ใช่แชมแบบาชนะคนอื่นเอาชนะตัวเองอย่างนี้เอวกาดเอานะตัวเองมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เจ้าจะออนั่รเิญเพื่อเอาชนะตัวเองอันชนะคนอื่น้อยข้างฝันหนอนมาเช่าชนะตนแม่ข้างเดียวเนี่ยวิธีที่ธุรกิจก็เป็นอย่างนี้ไม่นานถ้าทำถูกต้องไม่นานจริงจริงแล้วก็มีความมั่นใจจริงจริงเนี่ยเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทำได้ทุกคนว่มัน เช่นผมมองภูเขาฉยๆโอ้เห็นบางง่าอย่างนี้จึงขยันในการสั่งสอนเป็นอาชีพเลยทีเดียวละ่ะอยู่พูดหลงก็ก็คิดถึงเพื่อนถึงเม็ดอากจะบอกจากจะสอนก็ไม่ได้บอก ความผิดกลุ้มถูกแก่กันแล้วการมันเป็นความบกพร่องของชีวิตชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วก็ทำหน้าที่ผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยผู้อื่นให้เป็นประโยชน์เออหลวงก็เป็นส่วนรวมเกิดกับคนใดก็เป็นส่วนรวมเอมถูกก็เป็นส่วนรวมของคนทั่วไปในโลกนี้มันมันทิ้งไม่ได้ กันทิ้งไปได้เราจะสุกคนเดียวมันก็ไปได้ไ ม, ม่ประโยชน์สุกนี้ต้องแบ่งปันกันความถูกต้องก็ต้องมาแบ่งปันกันถ้าเป็นอยู่ในคนเดียวหรือว่าปัจเจกพระพุทธะไ ม, ม่ประโยชน์จัดทั้งน้อยเฉพาะตัวเป็นบาปไปบอกไปสอนไป ขี่ไม่แนะไม่นำรู่จะเห็นตกไปขี่ไปนำก็ไปรู้ไม่เห็นอย่าไปขี่ไปนำมันจะพากันติดจนจะติดคนจนหลงบางคนก็ชอบชอบมันเรื่องที่อัศจรรย์ที่เราทำไม่ได้อัศจรรย์ ก็จดทาได้กับเรื่องที่ผิดได้เอาความผิดความถูกยกย่องคนอื่นไม่ได้ยกย่องตัวเองอยู่ในฐานะแบบไหนพระเจ้าสอนให้ฉิมที่ทําได้สอนให้พึ่งตนเองได้ด่ามัวเจิดพึ่งคนอื่นเอาบุญจากคนอื่นเอาที่จากคนอื่นมันง่ายไปชื่อเอาบุญก็ไปชื่อเอา วันนี้ผ่านไปชื่อเอาไม่ใช่อย่างนั้นต้องทำเอาเองให้บรรจบบัรพมวอนกับบาะยศคุลน้องบุตํทำมาังผุ้นวายทุกข์แล้วเกินทุกหนอทุกหนไอนสักกกถ า, าทานกาาัาชินกาสักกกถา กรรมมาเทวะในสังสกถกาเน่ฆมาใสังสกถาที่พเจ้าสอนย่อสาวกุรนะาบนย่อกาูดได้หมดแล้วนสังขกถาคือสวรเนี่ ย, กกอนนยตอนขึ้นที่หนีไปพุ้นวายนะบนไปไไมตมอกอนนอนก็ไม่เสารนมบรวยบยวาน มัขคับสีตีเป่านอนเฝ้านอนยนหลับตื่นขึ้นมาเห็นนอนเกิือนกาดสาวงามทั้งหลายนอนเกิือนกาดก็ทางต่างๆกันเห็นลกขึ้นมาก็เกิดความเบื่อหน่ายเดินออกจากบ้านไปโกรุนไปป่าอิสิปตันนาบริขายเวันนน เจ้าสอนเรื่องนี้แจาาศาพระยศจึงได้เป็นพระละหันว่าวันนี้ไปเรื่อยๆก็านาหมายจิน้วใหม่แล้วว่าอนุพิกถาทานกถาจึงกถาสักขคถาเมื่อีทาได้จินก็มีสวรรค์ กรรมท่วารวัคตาเมื่อมีสวรรค์ก็มีกรรมพอใจเนคขมายสังจักถาหนีออ ก, ก, กากรรมนั่นโอ้มันเป็นอย่งนี้ไม่ใช่จบที่นี่มันสูดเป็นไว้ถึงขนหมายปลายทางง่ายนิดเดียวพระเจ้าสอนยาสาใครก็เคยมีจุกมีทุกข์เหมือนกัน อยากสูขให้ทุกข์อยากรักให้ชังกักขังเรานด้ข้ามไปกระโดดไปจะมารักเราก็ไม่มีประโยชน์ดอกจะมาเกียดเราไม่มีประโยชน์ถ้าเรากระมากอดเราแล้วโกรธตอไม่ีประโยชน์เราเขาลักเรารลักตอบไม่มีประโยชน์ในความรักกลายเป็นความชังได้มันจึงไม่มีประโยชน์ อ, อกหกักเฉยใหญ่เพราะความรักเยอใหญ่เพราะความเฉียด้าง อ, อกหกักกลายเป็นอารมณ์คล้าย่ากันได้ความพอใจความไม่พอใจเราใช่ใจะอย่างนี้ความพอใจความไม่พอใจไปทางเดียวกันสร้างปัญหา กฎหมายแปรถางความพอใจความไม่พอใจไปสร้างปัญหาไม่มีปัญญาเลยว่าเจ้าตังบอกถอนออกมาจากโลกเนี่ยมีสติทันทีอย่าให้ความพอใจความไม่พอใจมันวิ่งไปพอใจที่ใดก็พอใจไฟฝันยิ้มแย้มยมจ่มใจไม่พอใจก็เกิดความพอใจหน้าเบิง่งเตือเครียด วันสวดไปรวมกันเป็นปัญหาจังถอนหนกมาให้เป็นปัญญาตั้งแต่ต้นต้นก็จะอมะมีปัญหาปัญหามันเกิดปัญญาเพราะนี่ผาเห็นอย่างนี้ยืงได้เห็นกันทุกคนเดี๋ง่ายๆเปิดเผยตัวเองออกมาจริงๆการปฏิบัติทำเลย จะได้เห็นจะได้รู้เกี่ยวกับจริงผิดจริงถูกสมบัติดูแค่ไหนเพียงลอยมันจะได้คำตอบทุกชีวิตนักปฏิบัตินี้เอาตัวโลดได้อย่าโน่ น, นอยนี่บ้าอ้างอ้างชาติว่างภูมิเหมือนพระพุทธเจ้าตรรุ่งใหม่เผยแผ่เผยแผ่ศาสนา เมตตเจ้าหลักที่เยอแยะไปหมดเลยไปเจอใครก็บอกว่าเขาก็ประกาศค้อของเขาเป็นวันน่าต่างๆวันนินเดียในเมแต่วันนะพรามก็ประกาศค้อของเขาข้าพเจ้าเป็นพรามโดยส่วนพระเจ้าไปเจอเลยทางนี้ก็ เห็นพระเจ้าแสดงอยู่พวกวันนะพรามก็มาแสดงตัวอาข่าพรเจ้าเปพรามมีกำเนิดเกิดตั้ง9ชาติพร้ามเันชาติสมบูรณ์พระเจ้ากรถามว่าเกิดอั่งไรบ้างพอ้ดีหนึ่งแม่ดีหนึ่งลูกงามดีหนึ่ง มีสติปัญญาดมีปัญญาเดิมจะเลียนไตเพศจบหนึ่งได้มีศีลมีปัญญาอะไรตั้งเก้าอย่างพรเจา้าบอกมันมากเกินไปย่อๆได้ไหมตั้งเก้าชาติจึงเป็นพรามได้ย่อกว่านั้นได้ไหม เยอได้ก็เอาเอาพ่ อ, อแม่ออกเอากําเนิดเอารูปออกเอาเลียนใจเพศออกให้เหลือแต่ศีลจะปัญญาเอออย่างนี้ที่เข้ากันได้อนี้จะเป็นวันาตไหนก็ตามต้องมีศีลมีปัญญาเดียล่ไปได้ตัวนี้มิสติปัญญาเนี่ยวันถืกอกอความก็ย่อลงมาได้ตัวนี้นี่เรื่องของเราก็มีอย่างนี้ พรามคือผู้ที่ลอยบาปไม่มีไ ม, ม่ปัญหามีปัญญาลอยทุกข์จะได้ปัญหาปัญญาจึงเป็นการลอยทุกข์นี่คือว่าไปด้วยกันได้พร า, ามจึงยอมรับจึงเข้าใจจึงกร า, า, าบพระพุทธเจ้าอ้อมเลยเจ้าพทธเจ้ามารพมเนียพรามทั้งหลายกราบพระพุทธเจ้าพ้เรื่องนี้ความถูกต้องมาสุดยอดตรงนี้คือมากกว่านิพพานนี่ เราจึงต้องเส ม, มอกันหมดสังขารร่างกายของเรานี่ไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดในโลกนี่อย่าไปแบ่งว่าคนนั่นดีกว่าเราคนนี้เร็วกว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นเเป็นผู้หญิงท่นเป็นพระเป็นผู้ชายดีกว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นผู้หญิงอาจจะดีกว่าผู้ชายก็ได้ เป็นคนอินเดียเนย่ผู้หญิงมักจะดีผู้ชายก็มักจะดีหญิงใดสาวใดที่ไม่มีศีลไปขอสามีก็ไม่ได้สาวมีคนใดไม่มีศีลไม่บริสุทธิ์ไม่มีผู้หญิงสาวไปขอพ่อแม่ต้องเลกสาวลูกชายลูกสา ว, สา ว, สาวให้ดีๆเป็นคนทุศีลไม่ได้ไม่มีค่า ก็ผู้หญิงทีเดียวก็เลือกได้เอาว่าแต่งเอาพราแต่งเอาเขาไม่เสียสูาะเป็นเจ้าของเจ้าของสามีเจ้าของทรัพย์สมบัติเป็นผู้แม่บ้านไปเลยสําเร็จเสร็จทิ้นไปเลยถ้า แ, แต่งเอาลูกชายของใครมาเป็นสามีแล้วก็วเขาก็เป็นเจ้าของสมบัตินั่นเลยทีเดียว แหว่เรือนรอเรือนไปเลยสามีตรงเลี้ยงเขาแล้วไปชอบเขาสามีเลี้ยงมาดีคนอื่นก็มองเห็นว่าถ้าหญิงใดที่สามีแล้วมีสามีแล้วต้องมีหนังทองสองชั้นสามชั้นถ้าหนังทองสองชั้นนี่เรียกว่าเออสามีเขาดีเลี้ยงดี เ, ดเลวลาอนผู้หญิงใส ชุดบาหลีอินเดียเนี่ยจะโชว์ท่องน้อยใต่เดินไปเขาจะเห็นเห็นความสมบูรณ์เห็นความเจริญดีเขาก็สามีดีแต่คนไหน้อมๆไม่มีความสะดวกงนานเลี้ยงชีวิตก็ว่าสามีเขาเลี้ยงไม่ดีแต่ผู้หญิงคนไหน ถ้าสามีเขาไปที่ใดไม่มีหัวเข่ามมีกวดน้าก็ปัญญาเขาไม่ดีเอมองอย่นี้แล้วมีเพศไหนต้องมีหัวเข้าให้เตรียมอะไรให้ต่อไปจะไปขอสามีมาเป็นลูกชายเขามาเป็นสามีไปได้แล้วายโดยท่าหญิงไม่ดีก็ไม่มีสาวใดไปขอเป็นสามีได้ อันนี้ก็คือพรามของเขาเขาก็ดีแบบเดิแต่วันน่าจําคือพวกสุดจันทานนี่ยที่ว่าจําในรัติของเขาเขจึงอ้างพระเจ้าอย่างนี้ตลอดเวลาไปไหนต้องเจอปัญหาเรื่องนี้ต่้งโตู้ต้องเถียงกัน แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสูตรมียันทานได้เรียนหมายหาวิเลยภรณสาีได้เป็นด็อกเตอร์เดี๋นี้ก็มีโอกาสได้เรียนแล้วไม่ใช่พวกพรามได้เรียนอย่างเดียวพวกแพทย์ค้าขาย น, นั่นก็ไม่ใช่แล้วแต่ว่าถ้าเขายอมนะเชิดหมาหาวิเลยภรณาีเนี่ย เวลาพวกพรามเข้าห้องน้ําพวกฉันทานพวกสูดต้องหลอล้างห้องน้ําให้เขาเคารพ ก, กันอย่างนี้เพราะขามีชาติกําเนิดเกิดตั้งเก้าชาติดีกว่าฉันทานดีกว่าสูตรเขาจึงเคารพ ก, กันแบบนี้ถือว่าวันหน้าเขาสูงต้องล้างห้องน้ําแม่พรามเข้าห้องน้ําแล้วต้องเราเห็นจันทานนั่งอยู่ก็ต้องบอกจันทานเข้าไปล้างห้องน้ําได้ให้ได้เขาจึง ได้กันได้ตลอดทุ้วันนี้ยังทํากันอยู่ เ, เหมือนเราอะไรเขาเขาลบเอามือมาจับปายเท้าเราลบหลังเท้าเราแล้วเอาไปลบหน้าผาของเขาเพบอกว่าเขาไปจันทร์นี่ก็ยังมีอยู่เพราะนั้นนี่วิธีปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวข้องกับเรืนน่องนี้มันหลงนั่นแหละไป หลงก็หลงเหมือนกันใครทุกขก็โกรธเหมือนกันเปลี่ยนซะตรงนี้ต่างหากต่างหากคือตรงนี้ไม่ใช่คนนั่นดีคนนีน้ดีคนนั้นวิเศษจนเกิดปัญหาทุกวันนี้หลังในโลกอ่ะ ห, หลอกคนรือว่าจาชาติแล้วเลือกชาติจางนันนี้รู้จั ก, จกเพื่อนกับพระยินกับเพื่อนนั่นนะจน คนเกิดหลงจนตามจับกันอยู่ทั่วประเทศทุกคนเองทั่วโลกก็ว่าได้น้องปูแนนคำมีน้องชี้วิ่งก็ลงเพราะอย่าไปเชื่ออย่างนั้นเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยดีชั่วอยู่กับเราเนี่ยเรายุติธนะแบบไหนเนี่ย อยาได้บุญก็ใจดีๆอยากตั้งนี้ผังก็ใจเย็นๆทําไปเลยอย่างเนี้ยตั้งใจดีๆอย่างเนี้ยไม่ใช่แปะบุญอยู่คนอื่นมีคนขนบมีคนคมหลงต่อเหมือนกันไปซ่อมรถที่อู่รถไปประดับรถที่อย่างหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็เห็นหน้าก็าาถามเราเลยว่าที่ว่าโทษกฐินได้สลาย โอ้ยไม่มีไม่มีอะไรดอกโอ้หลวงปู่เนี่ยคำเลยห้ร้อยล้านปีนี้โอ้ไม่มีไม่มีอะไรเลยก็ดังเหยนันนะนั่นพี่นันอยากไปหลงนะอ้าเนี่ยกลับมาหาอันนั่นอยากจะชี่อยากจะตัดคำบอกหละพ่อเขียนได้ไหม ต้องคำเขีย น, นงานแล้วก็เขียนไดนะ้ไหมเออหมดแรงทค่นี้นะต้องเจ็ว เ, เวลา